ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ตังแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนวายความกรบมายังหลวงพ่อกมพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินพันเตเพื่อนศาสธรรมิกเจริญพรมยังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่า <c> น <oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ ก็วันนี้เป็นเช้าวันที่หตุลาคมนะพุทธศักราช2558เมื่อ39ปีที่แล้วนะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเรา เ, เกิดการทำลายล้างกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังเป็นสิ่งที่บันทึกไว้นะในประวัติศาสตร์ไทยเรา นะที่มีการเข็นข่ากันนะการใช้กำลังนะในการฆ่ากันนะซึ่งตอนนั้นก็มีคนตายไปก็เป็นร้อยกว่าคนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่เร า, เามีการใช้กำลังนะใช้การโฆษณาชวนเชื่อ นะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันนะคนไทยต้องมาฆ่ากันเองนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดห ด, ดหูมากนะแต่ตรงนั้นมันก็เป็นบทเรียนนะที่ทำให้เราได้มากลับมาทบทวนนะในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยมันเกิดจากการที่คนเราเนี่ยหลงหนะลงไปนำหน้า นะลงไปในความโลภความโกรธความหลงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังสืบเนื่องมานะเราเห็นว่าปัฒนาการนะของสังคมไทยเราก็มีเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนคนไทยตื่นตัวขึ้นนะในการที่จะ มาปรับปรุงพัฒนานะตัวเองด้วยนะแล้วก็สังคมด้วยนะซึ่งตรงนี้ เ, นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเอาไว้นะการที่มีการฆ่าฟันกันก็ดีการเบียดเบียนกันก็ดีส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราหลงหนะลงไปในอำนาจหลงไปในผลประโยชน์ต่าง นะซึ่งตรงนีเน้เป็นเรื่องที่อันตรายมากตรงนี้กลับมาดูพวกเรากันเองนะเราอยู่จำพรรษากันมาถ้านับเป็นเวลาก็9อาทิตย์ลนะเหลือเวลาประมาณสามอาทิตยนะ์ก็จะออกพรรษาไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมา9อาทิต ย, ย์เราได้มีอะไรที่ดีขึ้นบ้าง นะชีวิตของเรานะเราสามารถที่จะออกจากความโลภความโกรธความหลงไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือนะว่ายังเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าใคร้ครวนน่าพิจารณาเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นเวลาที่เสียไปเลยนะและมันไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นการปลดปล่อยนะความโลภความโกรธความหลงนะยังเหมือนเดิมยังหนัก อ, อกหนักใจเหมือนเดิมยังคิดมากเหมือนเดิมยังขี้น้อยใจเหมือนเดิมยังขี้โกรธเหมือนเดิมนะก็เรียกว่าชีวิตเสียเปล่านะเวลาที่ผ่านไปไม่ได้เกิดประโยชน์ นะเรียกว่าไม่ได้มีการพัฒนาไม่มีการขุดเกา่านะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่อีกสามอาทิตยนะ์ที่เราจะอยู่กันในเข้าพรรษานะบรรยากาศาที่เป็นไปนะของการศึกษาปฏิบัตนะิเพื่อการพัฒนาชีวิตเนี่ยนะเราก็คงต้องมาใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะสำหรับเรื่องนี้ เพราะอย่างน้อยเนี่ยออกพรรษาไปแล้วเราน่าจะมีอะไรติดเนื้อติดตัวออกไปบ้างเืยว่า <c oughs> นิสัยใจคอน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากคนที่โกรธง่าย <c oughs> นะก็เป็นคนที่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะจากคนที่เป็นคนเจ้าอารมณนะ์ก็เป็นคนที่สุขุมเนะยือกเย็นขึ้นนะ ไม่อย่างนั้นการมาเข้าพรรษาก็ดีการมาใช้ชีวิตนะในวัดป่าสุโกโตเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทีเดียวเพนะราะฉะนั้นก็ยังยอมมีเวลาเหลืออีกสามอาทิตย์นะ ท, ยที่จะพัฒนาที่จะขุดกล่าวตัวเราเองนะซึ่งในแต่ละวันเราก็ได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่เป็นข้อคิดนะการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัตินะได้บ้าง มากบ้างน้อยบ้าง <c oughs> ก็ยังดีดีกว่าฟังแล้วไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะโอกาสที่เราจะอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่เคยมีง่ายๆนะเดี๋ยวบางคนก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตนะในสังคมในครอบครัวนะ <c oughs> ถ้าเรายังมีนิสัยใจคอเหมือนเดิมยังขี้โกรธเหมือนเดิม ยังเจ้าอารมณ์เหมือนเดิมนะก็เป็นเรื่องที่อันตรายทีเดียวหรนะือบางทีเราคงเคยได้ยินนะพระที่บวชมาหลายๆพรรษาออกไปยังกินเหล้าเมายาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากอันนี้แสดงว่าไม่ได้ฝึกฝนนะไม่ได้อบรมตัวเองเลยนะก็เพียงแต่มาบวชเท่านั้นเองนะในแง่ของคารวะญาติโยมก็เหมือนกันเนาะเรามาประพฤติปฏิบัติมารักษาศีล นะทุกคนพระก็ดีหรือมาอยู่ที่วัดก็ดีนะกลับไปอยู่ที่บ้านนะก็น่าที่จะ <c oughs> สงบเยือกเย็นขึ้นสุขุมขึ้นนะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นนะมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนึกคิดเอานะนึกคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนึกคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันต้องเกิดจากการฝึกฝนอบรม การพัฒนาขุดเกลาตัวเองนะซึ่งในภาษาทางศาสนาเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาก็คือพัฒนานะการพัฒนาเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเรื่องของการเจริญสติเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็เรียกว่าจิตภาวนาแต่ภาวนาหรือการพัฒนาเนี่ย โดยรวมๆเนี่ยมันมีอยู่สี่ด้านด้วยกั น, นอันแรกคือก็เรียกว่ากายภาวนาก็คือการพัฒนาทางกายการว่ากายในที่นี้เนี่ยก็รวมไปถึงร่างกายสุขภาพของร่างกายาการที่ดูแลสุขภาพไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง <c oughs> รวมจนถึงเรื่องของอาหารการกิ น, นให้พอเหมาะพอดี นะให้ตรงกับธาตุของเรานะพยายามหลีกเลี่ยงของที่ไม่เป็นประโยชน์ของที่เป็นพิษเป็นโทษเช่นะนสุรายาเสพติดอะไรทั้งหลายนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หนะลีกเลี่ยงไดนะ้กินอาหารที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้อาหารในในตลาดในสังคมเนี่ย มันที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีนะที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีเขาโฆษณาให้มันมีประโยชน์ขึ้นม า, นาตัวอย่างง่ายๆอะ <c oughs> อย่างเช่นพวกเครื่องดื่มบำรุงกําลังอะไรทั้งหลายเนี่นะเอ็มทั้งหลายอะไรพวก น, นี้นะจริงๆไม่มีประโยชน์เลยนะเขาเคยวิจัยออกมาแล้วมันเป็นยากระตุ้นประสาทดีๆนี่เองนะเติมน้ําเชื่อมลงไปโอ้ยคนชอบกินกันจนะังเลยคนละสิบบาทบ้างเก้าบาทบ้าง กินแล้วมันมีแห้งว่ะกวะนะกระชุ่มกระชวยนะจริงๆเนี่ยนะไอ้สิบบาทเนี่ยเราไปกินอาหารยังดีกว่านะน้ำอัดลมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะกินแล้วเบาหวานฟันผุนะมีญาติคนหนึ่งนะกินน้ำอัดลมตั้งแต่สาวจนแกเดี๋ยวนี้กระดูกพรุนเลยนะตอนนี้ลุกไม่ไหวเลยนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของการที่เราต้องรู้เท่าทันเหมือนกันสิ่งที่เราจะ เ, เข้าไปในร่างกายเนี่ยต้องพิจารณาเหมือนกันอันไหนที่เป็นคุณอันไหนที่เป็นโทษนะฮะไปเชื่อคําโฆษณามากๆไม่ได้นะชาเขียวเนี่ยโอ้ยนะแจกรางวัลเงนตอนนี้นะเอารถเบ้นบ้างแจกทองบ้างอะไรบ้างนะจริงๆมันคือน้ําหวานดีๆนี่เองแล้วเติมกลิ่นเข้าไปนะเป็นชาเขียวจริงๆต้องเรียกว่าน้ําหวานกลิ่นชาเขียวนะะ แต่ก็โฆษณาว่าฉาเขียวนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันเพราะนั้นกายภาวนานะต้องรู้เท่าทันกายแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อผ้า <c oughs> เครื่องลุ่งหม่มยารักษาโรคนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันเพราะนั้นการพัฒนากายเนี่ย นะไม่ใช่เพียงแค่ออกกําลังกายเท่านั้นแต่เรื่องอาหารการกินนะการที่จะเสพอะไรต่างๆก็ต้องมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวนให้พอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะกินอิ่มมากก็ <c oughs> อึดอัดนะการภาวนาการทำจิตภาวนาอาจจะไม่เกิดผลนะเพราะง่วงหลับง่วงนอนนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้อง พิจารณานะแล้วก็ใช้ปัญญา <c oughs> อันที่สองเขาเรียกว่าศีละภาวนาศีลและภาวนาคาว่าศีลในที่นี้หมายถึงการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะอย่างเช่นในวัดป่าสกุลโตเราก็มีสังคมชุมชนเขามีกฎมีระเบียบอะไรนะเราก็ปฏิบัติตามอย่าไปทำอะไรตามใจตัวเองใช่ไหม ตรงเนี้ยถ้าต่างคนต่างทําอะไรตามใจตัวเองก็บุ่นวายไปหมดเลยสังคมก็เดือดร้อนนะอย่างที่เราเคยได้ยินว่าอะไรนะทาอะไรตามใจคือไทยแท้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นคำพูดที่ทําให้สังคมไทยเนะี่ยวุ่นวายไปหมดทาอะไรตามใจนะเวลาจะขึ้นรถก็แย่งกันขึ้นเวลาซื้ออาหารก็แย่งกันไม่เข้าคิว นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายไปหมดเนะพราะตรงนี้เนี่ยนะเรียกว่าไม่มีศีลนั่นเองเพราะนั้นศีล น, นี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขนะอย่างที่วัดป่าสุขโตเรามีระเบียบนะมีกิจวัตรประจำวันนะที่เราทำกันเป็นประจำนะเราก็มาร่วมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมเนี่ยอยู่กันสงบราบรื่นมีงานส่วนรวม นะอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันนะอย่างเช่นตอนเช้าฉันเช้าเสร็จเราก็ช่วยกันทำความสะอาดสาราหน้านะไม่ใช่ฉันเช้าเสร็จเปิดเปิดหนีไปเลยนะไม่ช่วยกันเลยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะตรงนี้คนละไม้คนละมือนะไม่ต้องรอให้พันเตให้หลวงพี่ให้พระที่อาวุโสกว่ามาเรียกนะอา้าวช่วยกันทาความสะอาดูพื้นหน่อย เราไม่ต้องบอกเลยนะของแบบนี้เรารู้ฉันเสร็จเราก็เลียบช่วยกันกวาดบ้างปัดกวาดเช็ดถูนะช่วยกันกวาดใบไม้นะอันนี้เรียกว่าเป็นศีลภาวนานะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะมานั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือการทำงานเพื่อส่วนรวมนะหรือแม้แต่ญาติโยมที่มาอยู่ที่วัดก็เหมือนกัน นะเราฉันเช้าเสร็จ เ, เก็บเสือ้อช่วยกันปัดกวาดเท็ดถูสารหน้านะอย่าปล่อยให้พระท่านทมนะเรามีเวลามีโอกาสเราก็ช่วยกันนะช่วยล้างช่วยล้างจานนะช่วยงานส่วนรวมนะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความสงบร่มรื่นนะทำให้เป็นปกติสุขและงานมันก็เรียบร้อยนะไม่ต้องมีคนไปเพ่งเลงว่าไอคนนั้นทำไอคนนี้ไม่ทำ อะไรอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความไ ม, ไม่สมัครสมานสามัคคีเ น, ะนีก็เป็นเรื่องของการที่เป็นปฏิบัติธรรมนะในในส่วนรวมนะเรียกว่าศีลภาวนานะในแง่ของหมู่บ้านชุมชนก็เหมือนกันนะเห็นบางทีอาจเดียวคนนุ้นตายคนนี้ตายแล้วก็ไปช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะนี่ก็เป็นเรื่องของสังคมนะเรียกว่าเป็น เป็นภาวนาอย่างหนึง่งเป็นการพัฒนาอย่างหนึง่งพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมแสดงออกถึงการมีน้ําจิตน้ําใจนะไม่ได้เห็นแก่ตัวนะไม่ได้อยู่คนเดียวนะการอยู่ในสังคมนี้เราต้องอาศัยคนอื่นเข้าบ้างเราบ้างนะตรงนี้นก็จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขนะนี่ก็เป็นการพัฒนาในส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือจิตภาวนา การที่เรามาเจริญสติก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีอันนี้เรียกเรียกว่าจิตภาวนาการพัฒนาจิตพัฒนาจิตคำว่าจิตเนี่ยหลายคนถามว่าจิตมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะจิตกับใจมันต่างกันอย่างไงอะไรเงี้ยนะจริงๆ จ, จิตก็คือตัวที่มันคิดได้นะความคิดกันละกันเราพูดว่าความคิดกันละกันนะความคิดของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูแลนะไม่ คอยควบคุมดูแลเนี่ยนะเขาก็จะพาเราไปนะไปสุขบัง่งทุกบ้างนะไปดีใจเสียใจไปโลภไปโกรธไปหลงนะไอ้สงครามต่างๆที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนี้เองนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเดือดร้อนก็เพราะความคิดปรุงแต่งนี้เองการที่เราไม่รู้เท่ารู้ทันน่นแหละ น่ะมก็เลยคิดสร้างเรื่องสร้างราวต่างๆขึ้นมากลัวนู่นบ้างกลัวนี่บ้างกังวลต่างๆนานาเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้มาพัฒนาจิตไม่ได้มารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะหลงไปหลงให้ความคิดมันครอบงำทำให้ดีใจเสียใจทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลงทำให้หงุดหงิดลำคาญใจ ทำให้น้อยใจทำให้เสาเศร้าเหงาเซ็งอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนั่นเองประจะนนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อที่จะรู้สิ่งเหล่านี้การเดินจงกรมการสร้างจังหวะหรือจะเป็นการทำกรรมฐานรูปแบบใดก็ตามก็เป็นเรื่องของการ <c oughs> พัฒนาจิตทั้งสิน้นซึ่งตรงนี้เนี่ย นะเราก็ได้ยินได้ฟังทุกวันแล้วก็นำออกไปปฏิบัตนะิส่วนใครที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะยังสบายสบายอยูนะ่ก็ให้เริ่มมือเริ่มลงมือเถอะอย่าปล่อยวันเวลาให้มันผ่านไปโดยปล่าประโยชน์เลยเราอยู่ในวัดป่าสุกโตมันก็สบายดีนะไม่ต้องไปวิ่งหาเงินหาทองนะไม่ต้องไปดิน้นรนกระเสือกกระสนเหมือนคนในสังคมในโลก ไอ้ความสบายนี่แหละนะมันทำให้เราบางทีก็อ่อนแอนะเราไม่พัฒนาตัวเราเองปล่อยชีวิตไปวันวันหนึ่งอ่านะเรื่องมาสนุกสนานคุยกันคุกคีกันนะปล่อยเวลาวันทั้งวันไปกับความสวนเสเหนะะเป็นสันทนาการไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอหมดเวลาออกพรรษาไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวออกไปนะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขออนุมโมทนากับคนที่ได้ใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างดีอย่างเต็มที่นะแล้วก็คงจะเห็นผลแล้วละ่ะนะว่า <c oughs> สิ่งที่เราได้ฝึกเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องศูนย์เปล่านะเป็นเรื่องที่จะติดเนื้อติดตัวไปและกัลยาณมิตรที่แท้จริงก็คือกัลยาณธรรมที่เกิดจากการประพฤติธปฏิบัตินั่นแหละที่บอกว่าอาพะพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรก็คือการที่เร า, เาสติปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนนั่นแหละ นะติดเนื้อติดตัวไปเป็นกาลยานามิตรกาลยานธรรมติดเนื้อติดตัวไปซนะึ่งตรงนีนะ้เราก็สามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับความเจ็บความปวดนะความไม่ได้ดั่งใจความโศกความเศร้านะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่ความตายนะช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ยินก่าวคนตายเยอะนะ ครูบาจารย์หลายรูปญาตาิของคนที่รู้จักกันนะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราได้ย้อนกลับมาที่ตัวเราเออสักวันมันก็ต้องถึงคิวเราเหมือนกันนะเราเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมตัวเตรียมใจที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งนี้หรือยังนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทเลยเพราะนั้นการภาวนาหรือการพัฒนาจิตเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญอย่าไปดูถูกดูแคลนมันนะ สิ่งเหล่านี้นะอย่าไปเห็นแก่ว่าโอ้มันยากมันลำบากนะบางคนเนี่ยกลัวไม่อยากทำนะเพราะทำมันลำบากนะมันเหนื่อยมันต้องฝืนความเคยชินเก่าๆนะไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เราต้องการหรือทำตามใจนะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เออน่าเสียดายเหมือนกันนะเรียกว่าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้พัฒนานะปล่อยเวลาให้ปล่าประโยชน์ไป อันสุดท้ายก็ปัญญาภาวนานะก็คือการพัฒนาปัญญาคำว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ไปนึกไปคิดนะเอาเหตุเอาผลอันนั้นเป็นปัญญาในระดับจินตามัยปัญญาแต่ปัญญาที่ว่านี้คือปัญญาที่เกิดจากการที่เราเจริญสตินะแล้วก็เห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นใจที่มันคิดมันนึกนะในรูปแบบต่างๆแล้วรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมันนะ มันจะมาหลอกให้เราดีใจเสียใจรู้ทันมันเรียกว่ารู้รอบนะปัญญารู้รอบและเป็นการรู้ที่สัมผัสรู้นะไม่ใช่คิดรู้นะปัญญาชนิดนีนะ้อย่างเราเรียนหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาเรียกว่าคิดรู้คิดหาเหตุหาผลนะนั้นก็เป็นปัญญาในระดับจินตามยปัญญาในระดับสุตตมยปัญญาแต่การที่ พัฒนาในในตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันต้องเกิดจากการฝึกฝนจากการเจริญจิตนะเจริญจิตภาวนาหรือพัฒนาจิตนะเพราะนั้นพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยมันจะไปคู่กันเลยนะบางคนพัฒนาจิตแต่ไม่มีปัญญาก็คือไปสงบนิ่งนะไปดื่มด่ำอยู่กับความสงบนะไม่ตื่นรู้ขึ้นมานะแต่ถ้าเราเจริญจิต ให้มีการตื่นรู้นายเห็นอาการต่างๆของกายของใจที่มันแสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วไม่หลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นๆไม่หลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆนั่นนะ่ะนะเป็นปัญญาเพนะราะนั้นการพัฒนาชีวิตนะชีวิตที่พัฒนาเนี่ยนะมันต้องพัฒนาให้รอบด้านนะไม่ใช่ไปพัฒนาอย่างใดยอย่างหนึ่ง นะอย่างมีบางคนนะพัฒนาแต่จิตแต่กุติเลอะเทอะหมดเลยนะสบงจีวอนก็ปล่อยล๊กลุงลังนะไม่ได้ดูแลนะขยงขยะทิ้งเกลื่อนการนะเพราะว่าไปมัวแต่สนใ จ, จเฉพาะเรื่องจิตอย่างเดียวนะสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดูแลอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะฉะนั้นการภาวนาหรือการพัฒนาเนี่ยจะต้องทำให้มันรอบด้านนะทั้งกาย ทั้งศีลนะทั้งจิตทั้งปัญญานะนี่เรียกว่าชีวิตแห่งการภาวนานะหรือชีวิตแห่งการพัฒนาถ้าเราพัฒนาอย่างนี้ได้นะกายก็เป็นปกติสุขใจก็เป็นปกติสุขชุมชนสังคมก็มีสันติสุขประเทศชาติโลกก็มีสุขสุขจากสันตนะิที่แต่ละคนทำให้เกิดขึ้นภายในตัวเราเอง ถ้าแต่ละคนเนี่ยมีสันติสุขในใจมีสันติสุขที่กายแล้วเนี่ยสังคมก็น่าจีจะสงบร่มลื่นนะไม่ต้องมาลบลาค่าฟันกันไม่ต้องมาเบียดเบียนกันนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต่างมุ่งหวังนะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นสันติสุขของสังคมของโลกเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเนั่นแหละสร้างสันติสุขขึ้นในใจ สร้างสันติสุขขึ้นในชุมชนนะด้วยการประพฤติปฏิบัติการพัฒนาการภาวนานะทั้งในสี่ส่วนนะอันนี้ก็จะทำให้สังคมสงบร่มเย็นนะไม่เกิดเรื่องเหมือนอย่างเมื่อ39ปีที่แล้วนะหรือเมื่อไม่นานมานีนะ้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนนะคนไทยทุกคนทุกคนในโลกเนี่ยหวังที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้พวกเรานะได้นำไปพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้มันยังไม่สายและคนที่ทำไปแล้วก็ให้ทำยิ่งยงขึ้นไปนะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะทำให้ <c oughs> ชีวิตของเรานั้นได้สัมผัสกับความเป็นปกติสุขสันติสุขในใจก็จะสร้างสันติสุข ให้กับสังคมและโลกต่อไปในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสเสตสัมปชัญญะที่มีในตัวเรานั่นแหละพระธรรมคือเสจ็จทำความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆให้รู้เท่ารู้ทัน แล้วก็พระสงฆ์นั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติทั้งในส่วนกายส่วนใจส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะด้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจความศรัทธามีสติปัญญาพร้อมกนะอให้ทุกท่านได้สัมผัสกับสันติสุขในจิตในใจแล้วก็มีส่วนในการช่วยสังคมนั้นได้สงบรล่มเย็นสมเป็นสังคมชาวพุทธที่มุ่งหวัง นาสันติสุขทั้งในส่วนตนและสังคมโดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร